พระพุทธศาสนาเกิดจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ทางสู่การหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้วพระองค์ก็ทรงนำเอาความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอน ให้แก่ผู้ที่ต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์หลังจากที่ได้ทรงสั่งสอนแล้วผู้รับฟังก็นําเอาไปปฏิบัติพอปฏิบัติก็สามารถบรรลุถึงธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้สามารถหลุดพ้นออกจากกองทุกข์ แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เหมือนกับพระพุทธเจ้าแล้วหลังจากนั้นก็ขออนุญาตจากพระพุทธเจ้ามาช่วยพระพุทธเจ้าในการเผยแผ่สั่งสอนผู้อื่นต่อไปพระพุทธศาสนาก็เลยจเจริญเติบโตมา นับตั้งแต่วันแรกที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระธรรมคำสอนวันนั้นเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยที่เป็นองค์ประกอบของพระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นครบองค์เป็นครั้งแรกคือในวันเพ็ญเดือนแปด วันอาสาหาบูชาพระพุทธเจ้าทรงตัดสรุในวันเพ็ญเดือนหกคือวันวิสาขาบูชาวันนั้นเรียกว่าเป็นวันที่มีพระพุทธรัตนปรากฏขึ้นมาเป็นครั้งแรกแล้วนะพอมาถึงวันเพ็ญเดือน8ปดอีกสองเดือนต่อมาพระพุทธเจ้าก็ทรงประกาศพระธรรมคาสอน ให้แก่พระปัญจวัคคีการประกาศพระธรรมคำสอนก็เป็นการปรากฏของพระธรรมลัตนะขึ้นมาเป็นครั้งแรกของโลกแล้วหลังจากที่พระปัญจวัคคีทั้งห้าได้ฟังธรรมแล้วหนึ่งในพระปัญจวัคคีคือพระอัญญาณโกนทัญญะก็ได้บรรลุธรรม เป็นพระโสดาบันขึ้นมาเป็นพระอริยสงฆ์คนแรกของพระพุทธศาสนาวันนั้นจึงเป็นวันที่มีพระรันตนกายครบองค์มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้แสดงมีพระธรรมคําสอนที่พระพุทธเจ้าได้ส่งแสดงและมีพระอริยสงฆ์ผู้ที่ได้บรรลุธรรมจากการ ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าจึงทําให้พระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นมาครบสมบูรณ์พระพุทธศาสนาจะสมบูรณ์ได้ก็ต้องมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมคําสอนและมีพระอริยสงสาวกนี่คือการก่อตั้ง การเริ่มต้นของพระพุทธศาสนาหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมสั่งสอนให้แก่พระปัญจวัคคีย์อย่างต่อเนื่องจนในที่สุดพระปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก็ได้บรรลุถึงธรรมขั้นสูงสุดคือขั้นพระนิพพานขั้นพระอาหารหันตสาวกได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด เหมือนกับพระพุทธเจ้าทุกประการแล้วต่อมาพระอาหารหันตาสาวกทั้งห้ารูปนี้ก็ได้แยกทางกันไปเพื่อที่จะนำเอาพระธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าไปเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกทั้งหลายที่ยังติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดให้ได้รู้ได้เห็นได้ฟัง ทางที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพอผู้ที่ได้ยินได้ฟังก็เกิดศรัทธาก็ปฏิบัติตามพอได้ปฏิบัติทได้ปฏิบัติตา ม, ตตามก็บรรลุธรรมกันได้บรรลุธรรมก็เกิดศรัทธาเดินทางมาเพื่อขอบัวจากพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็ส่งบวชให้ด้วยการกล่าววาจาว่าเอหิพิกุจงมาเป็นพระภิกษุเถิดอสมัยที่พระเจ้าทรงบวชนี้ง่ายเพราะพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์อมีความรู้ความสามารถและผู้ที่มาบวชก็เป็นผู้ที่ ได้ปฏิบัติจนบรรลุธรรมแล้วพอมารับการขอบวชก็เลยไม่มีพิธีกรรมมากก็เป็นเพียงการเชิญว่าจงมาเป็นภิกษุเถิดแล้วก็ได้เป็นพระภิกษุในบรวรพุทธศาสนาแล้วก็มาช่วยพระพุทธเจ้าเผยแผ่พระธรรมคำสอนให้แก่ผู้อื่น พอถึงวันเพ็ญเดือนสามวันมาคาบบูชาเกเดือนหลังจากที่พระองค์ได้ทรงประกาศพระธรรมคำสอนก็ปรากฏมีพระภิกษุหนึ่งสองรหรูปได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าจากทุกสารทิศโดยไม่ได้มีการนัดหมายกันไว้ก่อนและพระภิกษุทั้งหนึ่งสองหรูปนี้ ก็ลวนเป็นพระอาหารหันตสาวกเป็นผู้ได้บรรลุธรรมขั้นสูงสุดได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดและเป็นพระภิกษุที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้บวชให้ด้วยการกล่าววาจาว่าเอหิภิกขุจงมาเป็นภิกษุเถิดนี่คือการก่อร่าง สร้างตัวของพระพุทธศาสนาต่อจากนั้นก็มีการกระจายของพระอรรณ์ตรสาวกไปตามสารทิตต่างๆแล้วก็เผยแผ่คำสอนนี้ไปทั่วดินแดนกระจายออกไปจากประเทศอินเดียก็มาทางประเทศศรีลังกาจากประเทศศรีลังกา จากอินเดียก็มาทางพม่ามาทางประเทศไทยมาทางประเทศลาวประเทศขเขมรส่วนทางเหนือก็กระจายขึ้นไปทางทิเบตเนปาลประเทศจีนเกาหลีญี่ปุ่นนี่คือการขยายตัวของพระพุทธศาสนาจนเดี๋ยวนี้มีพระพุทธศา ส, าสนาไปเกือบทั่วโลกแล้ว เพราะที่ไหนมีชาวพุทธไปตั้งรกรากไปทำมาหากินก็จะนิมนต์พระภิกษุไปอยู่ไปตั้งวัดกันเพื่อที่จะได้เป็นที่พึ่งทางจิตใจเป็นที่จะได้ไปศึกษาพราะธรรมคำสอนเป็นที่ที่จะได้ปฏิบัติและจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆ ในบรรดาผู้มีจิตศรัทธาคือพุทธศาสนิกชนนี้ก็แบ่งไว้ได้สองระดับด้วยกันคือพุทธศาสนิกชนที่อยู่ในระดับของนักบุญและพุทธศาสนิกชนที่อยู่ในระดับของนักบวชเหมือนกับสถาบันการศึกษาที่แบ่งเป็นระดับต่างกัน เช่นระดับปฐมระดับมัธยมและระดับอุดมศึกษาสำหรับพระพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันผู้ที่มาศึกษามาเป็นนักศึกษาของสถาบันพุทธศาสน์ศาสนาก็แบ่งไว้เป็นสองระดับใหญ่ๆคือระดับนักบุญและระดับนักบวชระดับนักบุญก็ปฏิบัติ ไม่เข้มข้นเท่ากับระดับนักบวช <üf. S 1> เหมือนกับนักเรียนที่เวลาเริ่มต้นเรียนก็เรียนไม่หนักแน่นเหมือนกับผู้ที่เรียนมาแล้วเช่นเด็กชั้นอนุบาลชั้นปถมนี้ก็เรียนไม่หนักเท่ากับเด็กที่อยู่ในระดับมัธยม แ, และเด็กที่อยู่ในระดับมัธยมก็เรียนไม่หนักเท่ากับเด็กที่อยู่ในระดับในระดับอุดมศึกษา ในระดับปริญญาติโทเอกชั้นใดพระพุทธศาสนาก็มีการศึกษามีการปฏิบัติระดับต่างๆกันมีสองระดับใหญ่ๆคือระดับนักบุญกับระดับนักบวชระดับนักบุญก็ถือว่าเป็นผู้เริ่มปฏิบัติใหม่ผู้ที่เข้าโรงเรียนใหม่ผู้ที่มา มีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธศาสนาแล้วก็เริ่มปฏิบัติขั้นพื้นฐานก่อนระดับนัก บ, บุญนี้ก็มีการปฏิบัติอยู่เช่นมีการถือพระรัตนใจเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นถือพระพุทธเจ้าเป็นผู้สั่งสอนถือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอาจารย์ ถือพระ อ, อริยสงสาวกเป็นครูมาศึกษามาหาความรู้ที่จะสอนให้ตนดำเนินชีวิตไปในทางที่จะทำให้หลุดพ้นจากความทุก์ไปในที่สุดแต่สำหรับระดับนักบุญนี้ไม่ได้สอนไปถึงขั้นสูงสุดสอนให้อยู่ในขั้นที่เรียกว่ายังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ แต่จะเวียนว่ายตายเกิดในสุขติในภพที่มีความสุขมากกว่าความทุกข์คือภพของมนุษย์และของเทวดาอินพรหมทั้งหลายอันนี้เป็นระดับนักบุญคือจะมีการทำบุญทำทานเป็นงานหลักของนักบุญเช่นการใส่บาตรให้กับพระภิกษุ ที่มาบิณฑบาตผ่านทางบ้านถ้าอยู่บ้านแล้วมีพระเิกษุผ่านมาชาวพุทธเราก็จะนิยมใส่บาตรกันเรียกว่าเป็นการทำทานทานนี้ก็เป็นเหตุที่จะทำให้เกิดบุญขึ้นมาบุญ ก, ก, ก็คือความสุขใจอิ่มใจและทรัพย์ภายในที่สามารถนำเอาไปใช้ต่อไป หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วถ้ามีบุญก็มีทรัพย์ภายในคือทรัพย์ในโลกทิพย์ทรัพย์ที่จะเอาไปใช้ในโลกทิพย์ได้ถ้าตายไปก็จะได้ไปท่องเที่ยวในสวรรค์ได้ไปเป็นเทพเป็นเทวดาได้เพราะมีบุญผ่าไปนอกจากการทำบุญแล้วก็ยังต้องรักษาศีลด้วย ถึงจะไปท่องเที่ยวได้ถ้าไม่รักษาศีลห้าตายไปจะไม่สามารถไปท่องเที่ยวในโลกทิพย์ในสวรรค์ได้จะไปท่องเที่ยวในโลกทิพย์ที่มีชื่อว่าอบาย <Yeah. S 1> แทนคือแทนที่จะไปเป็นเทวดาถ้าทําบาปไม่รักษาศีลห้า <Yeah. S 1> ก็จะไปเป็นเดรัจฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปเป็นอสู ร, ร, รกายบ้าง ไปตกนรกบ้างเพราะนี่คือผลที่จะเกิดจากการไม่รักษาศีลผลที่เกิดจากการทำบาปห้าประการด้วยกันคือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดเสพสุรายาเมานี่คือระดับของนักบุญถ้าเป็นระดับนักบุญนี้จะหมั่นทำบุญทำทาน ตามกําลังตามศรัทธามีมากก็ทํามากมีน้อยก็ทําน้อยทําในส่วนที่มีเหลือใช้เหลือกินส่วนที่จําเป็นจะต้องเก็บเอาไว้ใช้เอาไว้กินก็ไม่ได้ทําเอาทําแต่ส่วนที่มีมากกว่าความจําเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องทําก็ให้รักษาศีลไป รักษาศีลห้าเพียงอย่างเดียวก็ได้ถ้ารักษาศีลห้าเพียงอย่างเดียวแล้วไม่ได้ทำบุญก็จะไม่ตายตายไปก็จะไม่ไปเกิดในอบายแต่จะไม่ได้ไปเที่ยวในสวรรค์เพราะไม่มีบุญพาไปแต่ก็จะได้กลับมาเป็นมนุษย์ไม่ต้องไปเป็นเดรัจฉานถ้าสามารถรักษาศีลห้าได้ครบบริบูรณ์แต่ไม่มีเงินทอง ที่จะไปทำบุญแต่การทำบุญนี้ไม่จำเป็นจะต้องใช้เงินเพียงอย่างเดียวเราสามารถทำบุญได้ด้วยการไม่ใช้เงินทองเช่นถ้าเรามีวิชาความรู้เช่นเรารู้จักภาษาต่างประเทศรู้จักภาษาจีนรู้จักภาษารัสเซียรู้จักภาษาอังกฤษ <Yeah. S 1> เราก็สามารถเอา ความรู้นี้ไปสั่งสอนให้แก่ผู้อื่นได้โดยที่เราไม่คิดค่าใช้จ่ายไม่เก็บค่าค่าสั่งค่าสอนไม่เก็บค่าเล่าเรียนอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการให้ทานเหมือนกันเป็นการทำบุญเรียกว่าวิทยาทานพวกเรามักจะรู้จักเรื่องของการให้ทานด้วยข้าวของเงินทอง ที่เรียกว่าวัตถุทาน <Yeah. S 2> ถ้าเรามีข้าวของเงินทองมากเกินความจำเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้เราก็นำเอาไปแจกจ่ายให้แก่ผู้อื่นอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการทาวัตถุทาน <Yeah. S 2> แต่ถ้าเราไม่มีข้าวของเงินทองแต่เรามีวิชาความรู้ที่เราสามารถเอาไปสั่งสอนผู้ที่เขาอยากจะศึกษาอยากจะรู้ โดยที่ไม่คิดเงินทองเราก็เท่ากับเราก็ได้ทำทานเหมือนกันแต่แทนที่จะเป็นข้าวของเงินทอง mm hmm. ก็เป็นวิทยาทา น, เ ป, นเป็นวิชาความรู้ mm hmm. แล้วถ้าเราไปเป็นนักบวช mm hmm. เงินทองเราก็ไม่มีวิชวิทยาทานเราก็ไม่มีเพราะเราไม่ได้ไปเรียนรู้วิชาต่างๆทางโลก แต่เรามาเรียนศึกษาวิชาทางธรรมพอเราบรรลุธรรมแล้วเราเอาธรรมนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นเราก็ได้ทําบุญทำทานเหมือนกันเรียกว่าธรรมทานซึ่งเป็นการเป็นการธรมทานที่ดีที่สุดดีกว่าวิทยาทานดีกว่าวัตถุทานเพราะการให้ธรรมะนี้ จะทำให้ผู้ศึกษาได้หลุดพ้นออกจากกองทุก์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้นั่นเองแต่วิทยาทานหรือวัตถุทานนี้จะไม่สามารถทำให้ผู้ศึกษาได้หลุดออกจากกองทุก์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่ก็คือการทำบุญด้วยการให้สามชนิดด้วยกัน ให้วัตถุข้าของเงินทองก็เรียกว่าวัตถุทานให้วิชาความรู้เช่นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษารัสเซียหรือวิชา ว, วิธีทากับข้าวกับปลาอาหารวิธีปลูกผักปลูกเยี้าข้าววิธีอะไรต่างๆที่เราสอนผู้อื่นโดยที่เราไม่คิดเงินคิดทองก็เรียกว่าเป็นการให้วิทยาทาน แล้วถ้าเรามาบวชล้าเราปฏิบัติจนบรรลุธรรมเราก็ไม่มีอะไรจะให้นอกจากธรรมะเราก็ให้ธรรมะไปสั่งสอนธรรมะให้แก่ผู้ที่ไม่รู้จักธรรมะเพื่อที่จะได้รู้เพื่อที่จะได้นำาอาไปปฏิบัติเพื่อทำให้ดุจพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอันนี้ก็เรียกว่าธรรมทาน การให้ทานสามรูปแบบนี้เรียกว่าเป็นการทําบุญทําบุญก็คือการสร้างอริยทรัพย์สร้างทรัพย์ภายในขึ้นมาเวลาตายไปก็จะได้มีทรัพย์พาไปท่องเที่ยวในสวรรค์ชั้นต่างๆถ้าทําวัตถุทานทําวิทยาทานควบคู่กับการรักษาศีลท่าไปตายไปก็จะได้ไปท่องเที่ยวในสวรรค์ชั้นเทพน ถ้าให้ทำรรทานเนี่ยตายไปก็จะไปสู่สวรรค์ชั้นนิพพานไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเีกต่อไปนี่คือเรื่องของนักบุญนักบุญที่ที่มีหน้าที่ต้องทำอยู่สองอันก็คือทำบุญทำทานตามกำลังและรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ ถ้าสามารถทำสองอย่างนี้ได้เวลาตายไปก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบายจะไปเกิดในสุขติเป็นมนุษย์เป็นเทวดาและหลังจากที่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะเป็นมนุษย์ที่ไม่อดอยากขาดแคลนเป็นมนุษย์ที่ ส, สุขที่สบาย ที่จะกลับมาทําบุญทําทานมารักษาศีลต่อจนกว่าจะขยับขึ้นสู่ระดับที่สองของนักนักที่ระดับที่สองของผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาก็คือระดับของนักบวชถ้าเรารักษาศีลห้าได้แล้วเราทําบุญทําทานอยู่อย่างสม่ําเสมอแล้วเราก็อยากจะ รักษาศีลเพิ่มขึ้นคือเราก็จะมาลองรักษาศีลแปดกันในวันพระดูแล้วแทนแที่ทที่เราจะไปทำภารกิจอะไรต่างๆหรือไปเที่ยวไปเล่นเราก็มาอยู่วัดกันมาทำใจให้สงบกันถ้าเราทำใจให้สงบด้วยการจเจริญสติบริกรรมพุทโธพุทโธไป หรือไหว้พระสวดมนต์ไปใจของเราก็จะสงบถ้าเราได้ความสงบเกิดจากการนั่งสมาธิเราก็จะได้อ น, นิสงส์เวลาเราตายไปเราก็จะได้ไปเกิดบนสวรรค์ที่สูงกว่าสวรรค์ชั้นเทพคือสวรรค์ชั้นพรหมไปอยู่พรห ม, มโลกแต่ระดับ สวรรค์ชั้นพรมโลกนี้ก็ยังไม่หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกับระดับของเทวโลกหรือระดับของมนุษยโลกนี้ก็ยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันต่อถ้าอยากจะขึ้นสู่ระดับที่ไม่เวียนว่ายตายเกิดนอกจากถือศีลแปดนอกจากนั่งสมาธิแล้วก็ต้องมาศึกษา พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาดวงตาเห็นธรรมคือเห็นอะไรก็ให้เห็นอริยสัจสี่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเห็นอนิจจังทุกขาังอนัตตาเห็นทุกขสมุทัยนิโรธมากก็จะสามารถทำให้จิตหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ อันนี้เป็นระดับที่สูงสุดของนักบวชนักบวชนี้ก็แบ่งเป็นสองระดับระดับโลกิยะกับระดับโลกุตตะระโลกิยะก็คือยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในตายพบอยู่แต่ถ้าได้ระดับโลกุตตระก็จะไม่กลับมาเกิดหรือถ้ากลับมาเกิดก็มาเกิดไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากอันนี้ เป็นขั้นสูงสุดของการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนให้ผู้ที่มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าได้น้อมนำเอาไปปฏิบัติอย่างที่พวกเราได้มาศึกษากันในวันนี้แล้วก็จะน้อมนาเอาไปปฏิบัติต่อไปเราก็ปฏิบัติไปตามฐานะ ตามกำลังของเราถ้าเรายังไม่สามารถเป็นนักบวชได้เราก็เป็นนักบุญไปก่อนทำบุญทำทานอย่างสม่าเสมอแล้วก็รักษาศีลห้าอย่างสม่าเสมอถ้ามีเวลาว่างก็ฟังเทศฟังธรรมบ้างมีเวลาว่างก็นั่งสมาธิบ้างอันนี้ก็จะเป็นการเตรียมตัว ให้ก้าวขึ้นสู่ระดับของนักบวชต่อไปถ้าก้าวขึ้นสู่ระดับของนักบวชแล้วก็จะต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตจากผู้ครองเรือนมาเป็นผู้ไม่ครองเรือนคือจะต้องสละครอบครัวสละสามีสละภรรยาสละบุตรสละทิดาแล้วก็ไปอยู่ตามวัดตามวากันไปอยู่ เพื่อที่จะได้มีเวลาบําเพ็ญงานของนักบวชคือสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาอย่างเต็มที่การที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้การที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้การปฏิบัตินี้จะต้องปฏิบัติตลอดเวลา นับตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาหลับเลยนักปฏิบัตินี้จะต้องปฏิบัติทำที่จะต้องปฏิบัติขั้นแรกนอกจากการรักษาศีลแปดหรือศีลสิบหรือศีล2องยยีแล้วก็ต้องเจริญสติอย่างต่อเนื่องเพราะสตินี้จะเป็นผู้ที่จะดึงใจไม่ให้ไปเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองต้องมีสติคอยดึงใจไว้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ พอเวลาคิดถึงเรื่องราวต่างๆก็จะเกิดความอยากที่จะไปมีอะไรกับเรื่องราวต่างๆอยากได้สิ่งนั้นอยากมีสิ่งนี้เวลาคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาพอเกิดความอยากก็จะต้องไปหาไปทําในสิ่งที่อยากได้มาก็ทําให้ต้องไปทําอยู่เรื่อยๆแล้วพอทําอยู่เรื่อยๆ เวลาที่ร่างกายนี้ตายไปความอยากที่จะทำอะไรต่างๆไม่ได้ตายไปหลอบกับร่างกายเพราะความอยากนี้อยู่ที่ใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายความอยากก็จะเดึงใจนี้ให้กลับมามีร่างกายอันใหม่มาเกิดแก่เจ็บตายใหม่อีกมาเวียนว่ายตายเกิดอีกนี่คือเหตุสาเหตุที่ทำให้พวกเรา ยังต้องกลับมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายกันก็คือเรายังไม่มีกำลังที่จะดึงใจดึงความอยากไว้ไม่ให้ความอยากดึงเราให้ไปทำอะไรต่างๆนั่นเองแต่ถ้าเรามาจเจริญสติกันอยู่เรื่อยๆต่อไปเราจะมีกำลังเพราะสตินี่เป็นเหมือนกับเบรกของรถยนต์รถยนต์นี้จะวิ่งจะหยุดได้ก็ต้องมีเบรก ถ้าไม่มีเบรกก็จะหยุดไม่ได้ชั้นใดใจที่เวียนว่ายตายเกิดจะหยุดเวียนว่ายตายเกิดได้ก็ต้องมีเบรกมีสติคอยดึงเอาไว้แต่สตินี้จะหยุดการอยากความอยากต่างๆได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นแต่ไม่สามารถาทำลายความอยากได้ การจะทลายความอยากได้นี้ต้องอาศัยทาอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าปัญญาแต่ก่อนจะไปถึงปัญญาได้ก็ต้องสร้างสติขึ้นมาก่อนมาหยุดความอยากไว้ชั่วคราวก่อนเพื่อที่จะตัดกำลังของความอยากให้เบาลงไปและสร้างกำลังของใจให้มีกำลังที่จะมาจะเจริญปัญญาต่อไปได้ ดังนั้นในขั้นต้นจึงจำเป็นจะต้องเจริญสติให้ได้ก่อนต้องมีสติอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับเนถ้ามีสติอย่างต่อเนื่องไม่เผลอเลยเวลานั่งสมาธิเพื่อหยุดความอยากก็จะหยุดได้อย่างง่ายดายล่ารวดเร็วนั่งสมาธิหลับตาพุโทโธพุโทโธไปห้านาทีสิบนาทีจิตก็ตกหลุมตกบ่อแล้วจิตก็สงบ เป็นอุเบกขาไม่มีความอยากต่างๆความอยากต่างๆถูกกดทับเอาไว้ชั่วคราวด้วยกำลังของสติเนี่ย <Yeah. S 1> เวลาที่กิเลสลดความอยากนี้ไม่ได้ทำงานจิตก็จะเย็นจะสบายมีความสุขก็จะปรากฏความรู้ขึ้นมาอันหนึ่งว่ า, าไม่มีความสุขอันใด น, นี้จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ อันนี้เรียกว่าเป็นปัญญาก็ได้คือการเห็นธรรมในระดับแรกแล้วเห็นว่าความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนี้อยู่ที่ความสงบนี้เองอยู่ที่การจเจริญสติควบคุมความคิดควบคุมความอยากต่างๆไม่ให้คิดไม่ให้อยากพอไม่คิดไม่อยากแล้วใจก็จะนิ่งสงบ แล้วก็มีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องไปทำอะไรตามความอยากให้เหนื่อยยากไปเปล่าๆอันนี้ก็จะได้ปัญญาละข้อที่หนึ่งขึ้นมาแล้วเห็นทำข้อที่หนึ่งเห็นว่าความสุขที่ดีกว่านั้นมีอยู่ในตัวเราเราไม่ต้องไปหาความสุขข้างนอกเพราะนั้นพอเราออกจากสมาธิมาพอใจเริ่มคิดเริ่มอยากสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ต้องใช้ ความรู้ระดับที่สองมาหยุดความอยากให้ให้ถาวรก็คือการมองความจริงว่าสิ่งที่เราอยากได้กันนั้นมันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขเป็นสุขก็เป็นสุขชั่วคราวเป็นสุขเดียวเดียวแต่พอเราเสียความสุขไปสิ่งที่เราจะได้ตามมาก็คือความทุกข์นั่นเอง เช่นเราได้อะไรที่เรารักเราชอบมาเราก็มีความสุขกันแต่พอเราเสียสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบไปเราก็ทุกข์กันขึ้นมาและจะต้องเป็นอย่างนี้กับทุกสิ่งทุกอย่างกับทุกบุคคลเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกบุคคล น, นี้เป็นของชั่วคราวนั่นเองได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปทุกสิ่งทุกอย่างมิถ้ามีการเกิดแล้วก็ต้องมีการดับ มีการเจริญก็ต้องมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาอย่างนั้นถ้าเรามีปัญญาข้อที่สองนี้ข้อที่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นวัตถุ ข, ข้าวของเงินทองหรือบุคคลต่างๆที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเหานี้จะเป็นความสุขเพียงชั่วคราวและก็จะทำให้เราทุกเวลาที่เขา ต้องจากเราไปหรือเราต้องจากเขาไปถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วเราก็จะสามารถหยุดความอยากได้อย่างถาวรเพราะเราจะไม่อยากไปหาความทุกข์นั่นเองแต่ก่อนนั้นเราไม่มีปัญญาเราก็หลงคิดว่าถ้าเราได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาได้บุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้มาแล้วเราจะมีความสุขนมันก็มีความสุขในช่วงระดะระยะแรกๆที่เราได้มา แต่พอสิ่งที่เราได้มาเปลี่ยนไปหรือหมดไปความสุขนั้นก็จะหายไปแล้วความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่ทันทีามีถ้าเราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันทุกข์เพราะว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวแล้วเราก็ควบคุมบังคับให้มันให้ความสุขกับเราไปตลอดไม่ได้เราก็จะไม่อยากได้อะไรเราก็กลับมาอยู่กับความสงบดีกว่า อยู่กับความนิ่งเฉยของใจอยู่กับสมาธิด้วยการดึงใจกลับเข้ามาไม่ไปทาตามความอยากพอความอยากไม่มีกำลังจะดึงใจไปใจก็จะสงบเหมือนเดิมใจก็จะมีความสุขโดยที่ไม่ต้องไปหาอะไรมาให้ความสุขแล้วถ้าสามารถทำลายความอยากทุกชนิดที่เกิดขึ้นมาด้วยปัญญาได้ ต่อไปความอยากต่างๆที่สร้างความวุ่นวายใจสร้างความหิวสร้างความโหยสร้างความต้องการต่างๆขึ้นมาภายในใจมันก็จะหายไปหมดพอความหิวความอยากความต้องการต่างๆหายไปหมดสิ่งที่จะเหลืออยู่ในใจก็มีแต่ความอิ่มความพอจิตก็จะไม่ต้องไปมีอะไรอีกต่อไป ไม่ต้องไปมีร่างกายเพื่อที่จะได้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายไม่ต้องไปหาลาบยศสารเสริมมาให้ความสุขกับใจเพราะความสุขต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นความสุขชั่วคราวล้วนเป็นความสุขที่จะต้องหมดไปและเวลาที่ความสุขเหล่านี้หมดไปสิ่งที่จะตามมาก็คือความทุกข์แล้วสิ่งที่จะตามมาก็คือการเกิดแก่เจ็บตายใหม่ เพราะเมื่อร่างกายนี้ตายไปแล้วแต่ความอยากที่มีอยู่ในใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายความอยากก็จะดึงใจให้ไปมีร่างกายอันใหม่แล้วก็ต้องมาทุกกับร่างกายอันใหม่เพราะร่างกายอันใหม่ก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเหมือนกับร่างกายอันเก่านี่คือเส้นทางของการปฏิบัติของนักบวชนะที่จะทำให้ได้ หลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดอย่างถาวรต้องเกิดจากการปฏิบัติสติในเบื้องต้นยารนสติจนสามารถดึงใจให้เข้าสู่อัปปนาสมาธิได้ดึงใจให้ตกลุมตกบ่อเข้าไปได้พอใจตกลุมตกบ่อแล้วใจก็จะสงบเย็นสบายมีความสุข ก็จะรู้แล้วว่าความสุขที่ดีที่สุดไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ความสงบนี้เองอน่างขั้นที่สองพอออกจากความสงบมาก็จะใช้ปัญญาคอยรักษาความสงบนี้ความสงบนี้จะถูกทำลายเมื่อเกิดความอยากขึ้นมาพอเกิดความอยากก็ต้องใช้ปัญญามาสอนใจว่าการทำตามความอยากนี้จะพาไปสู่ความทุกข์ต่อไป เพราะสิ่งที่เราอยากได้หรือบุคคลที่เราอยากได้นั้นเป็นของชั่วคราวให้ความสุขขณะที่เราได้เขามาแต่เวลาที่เสียเขาไปความสุขนั้นก็จะหายไปแล้วความทุกข์ก็จะกลับเข้ามาแทนที่ทันทีพอเราเห็นด้วยปัญญาว่าการไปทำตามความอยากต่างๆคือการมาทันหาการไปอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสผลทพา่า ภาวะตัณหาความอยากได้าดลาภยศสรรเสริญอยากได้ความสุขจากสิ่งต่างๆในโลกนี้วิภาวะตัณหาความอยากไม่ให้สิ่งต่างๆที่เราได้มาสูญเสียไปเราก็จะเห็นว่ามันเป็นตัวที่ทำให้เราทุกข์กันเพราะมันไม่สามารถให้กับความสุขกับเราได้อย่างถาวร น, นั่นเองถ้าเราเห็นด้วยปัญญาว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุ ของการทําให้เราต้องทุกข์ต้องไปเจอความทุกข์เป็นต้นเหตุที่ทําให้เราต้องไปเกิดแก่เจ็บตายกันเราก็ไม่ทําตามมันพอเราไม่ทําตามมันมันก็จะหมดกําลังไปพอมันหมดกําลังใจก็จะสงบเย็นสบายไปตลอดไม่ต้องไปทําอะไรไม่ต้องไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆเพราะมีความสุขที่เกิดจากความสงบในใจนี้อยู่แล้ว ที่ดีกว่าความสุขทั้งปวงเพราะเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่อยู่กับเราไปตลอดไม่มีวันจากเราไปเป็นบรมสุขเป็นบรมังสุขขังนี้เองเป็นความสุขของพระ น, นิพานพระนิพานก็คือใจที่ไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในอยู่ในใจนั่นเองเรียกว่านิพานเมื่อไม่มีความอยากแล้วก็จะไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไป นี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากการที่เรามาศึกษาและมาปฏิบัติตามคําสอนของพ่อ พ, พทะเจ้าเริ่มต้นในระดับของนักบุญไปก่อนแล้วก็ขยับขึ้นสู่ระดับของนักบวชถือศีลแปดแล้วก็ถือศีลสิบถือศีลสองร้อยยิบเจหรือถือศีลสามร้อยกว่าศีลของฟิกษุนีเแล้วเราก็ปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาลับ จนเราสติสลับกับการนั่งสมาธิจนเราได้ดึงจิตให้ตกลุมตกบ่อเข้าไปในความสงบแล้วพอออกจากความสงบมาเราก็มาคอยใช้ปัญญาสอนใจให้หยุดทําตามความอยากต่างๆทําอย่างนี้สลับกับการกลับเข้าไปในสมาธิเวลาต่อสู้กับความอยากแล้วเกิดความเหนื่อยก็หยุด กลับเข้าไปนั่งสมาธิทําใจให้สงบสร้างพลังขึ้นมาใหม่แล้วพ อ, อ, อจากสมาธิมาพอเกิดความอยากก็ใช้ปัญญาสอนใจให้ตัดความอยากไปเรื่อยๆต่อไปความอยากมันก็จะหมดกําลังไปถ้าเราไม่ไปทําตามความอยากพอหมดแล้วงานของเราก็จบเราไม่ต้องทําอะไรอีกต่อไปแล้วเพราะเราได้ทําลายสัตข้าศึกศัตรูที่มา สร้างความทุกข์ต่างๆให้กับเราหมดไปหมดไปแล้วเ <Yeah. S 1> หลืออยู่แต่ใจที่สงบสะอาดบริสุทธิ์ <Yeah. S 1> เหมือนกับสงครามเมื่อเราชนะสงครามแล้วเราก็ไม่ต้องทำสงครามอีกต่อไปเพราะถ้าศึกศัตรูที่มาลุกลาม น, นี้ได้ถูกทำลายไปหมดแล้วเราก็อยู่กันอย่างสันติสุขกัน <Yeah. S 2> จิตที่ไม่มีความอยาก <Yeah. S 2> ก็เป็นจิตที่อยู่อย่างสันติสุข อยู่อย่างสงบอยู่อย่างมีความสุขและไม่ต้องทำอะไรอีกต่อไปไม่ต้องเดินจงกรมไม่ต้องนั่งสมาธิก็ได้จะเดินก็ได้จะนั่งก็ได้ไม่มีความแตกต่างกันเพราะใจนั้นไม่ไม่มีอะไรที่จะมาทำให้ใจทุกข์อีกแล้วการนั่งสมาธิเดินจงกรมของพระอริยเจ้าก็นั่งไปเพื่อเป็นการผ่อนคลายร่างกายเสียมากกว่า หรือเป็นการพักใจพักจิตพักใจที่เอามาใช้ในการเผยแผ่สั่งสอนพระธรรมคำสอนให้แก่ผู้อื่นเวลาสั่งสอนไปก็เกิดความเหนื่อยทางจิตใจได้ก็ต้องเข้าไปพักในสมาธิทำใจให้สงบให้สบายก็มีเท่านั้นแต่ไม่ได้นั่งสมาธิหรือไม่ได้เดินจงกรมเพื่อฆ่ากิเลสตัณหา เพราะว่าใจของพระ อ, อริยเจ้าไม่มีกิเลสตัณหาหลงเหลืออยู่แล้วนั่นเองท่านเดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อเป็นการพักผ่อนอิริยยบทของร่างกายและจิตใจเท่านั้นเองท่านจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรนี่คือสิ่งที่ชาวพุทธเราจะได้รับจากการที่เรามีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธ ในพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วเราถ้าเราปฏิบัติตามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้เราก็จะได้ผลเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้รับเช่นเดียวกันและก็ไม่จํากัดว่าเราจะต้องเป็นเพศเพศหญิงหรือเป็นเพศชายขอให้เรามีความศรัทธาความเชื่อแนะให้เราปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้ก็แล้วกันเท่านั้นเอง ขั้นต้นกป็ปฏิบัติแบบนักบุญไปก่อนถือศีลห้าทำทางถือศีลห้าไปแล้วก็ขยับเป็นนักบวชต่อไปถือศีลแปดถือศีลสิบถือศีลสองร้อยยิบเจ็ดหรือศีลสามร้อยกว่าแล้วก็บำเพ็ญสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิจเจริญาิญสติอย่างต่อเนื่องพอจิตสงบแล้ว พอออกจากความสงบมาก็จเจริญปัญญาต่อพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นตายรักว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเออก็จะทำให้เราไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรออแล้วเราก็จะทำลายความอยากได้หมดไปแล้งานของเราก็หมดกันงานรือ้อภพรื้อชาติการยุติการเวียนว่าตายเกิดก็ได้สำเร็จบริบูรณ์ เมื่องานนี้เสร็จแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรต่อไปมีแต่เสวยความสุขที่ได้จากผลงานอันนี้คือบรมมะสุขนิบานังปรมังสุขขังไปอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายกําลังเสวยความสุขเหล่านี้ความสุขนี้อยู่ในขณะนี้ใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอานันตสาวกตอนนี้ยังเสวยยังเสบบ ร, บรมมะสุขอยู่ และจะเป็นจะเสดบรมสุขอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดต่างกับใจของพวกเราที่ตอนนี้ยังเสดบรมทุกข์กันอยู่ยังต้องทุกข์กับเรื่องนั้นยังทุกข์กับเรื่องนี้กันอยู่เพราะพวกเราไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาที่จะมาหยุดความอยากกันนั่นเองนี่คือความแตกต่างระหว่างจิตของปุถุชนอย่างพวกเรากับจิตของพระอริยะเจ้า าาจิตของพระอรหันตสาวกจิตของพระพุทธเจ้าท่านไม่มีท่านมีศีลสมาธิปัญญาเต็มร้อยท่านจึงสามารถหยุดความอยากต่างๆได้เต็มที่ยังไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจของท่านใจของท่านจึงมีแต่ปลมมัสุขปลมังสุขขงังแต่ใจของพวกเรายังไม่มีศีลสมาธิปัญญากันครบร้อยเต็มร้อย ใจของพวกเรายัางต้องเจอกับบรลลมมาทุกขกันอยู่เดี๋ยวก็ทุกข์กับเรื่องนั้นเดี๋ยวก็ทุกข์กับเรื่องนี้ทุกข์อยู่ไปเรื่อยๆตายไปแล้วก็กลับมาเกิดเพื่อที่จะมาทุกข์กันใหม่อีกเพราะความหลงมันหลอกให้เราอยากได้สิ่งนั้นอยากมีสิ่งนี้อยากอยากเส็บสัมผัสกับรูปเสียงเกล่นรถเราก็เลยต้องกลับมามีร่างกายใหม่พอมีร่างกายแล้วเราก็ต้องมาทุกข์กับร่างกายทุกข์กับสิ่งต่างๆที่ เราได้มาผ่านทางร่างกายเพราะสิ่งที่เราได้มาไม่ช้าก็เร็วก็ต้องจากเราไปเวลาจากไปความสุขที่ได้มาก็หายไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่นี่แหละทำไมเราจึงต้องเชื่อพระพุทธเจ้าและศึกษาคำถอนของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะทาให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ ทำให้เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดได้ทำให้เรามีแต่บรมสุขได้ตลอดเวลาไม่มีวันสิ้นสุดดังนั้นพวกเราที่ได้มีโอกาสอันดีที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาก็ขอให้พวกเราพยายามศึกษาการให้มากขึ้นไปตามลำดับแล้วก็ปฏิบัติให้มากขึ้นไปตามลำดับพยายามขยับจากขั้นนักบุญขึ้นสู่ขั้นนักบวช แล้วก็ปฏิบัติให้เต็มที่อย่าเสียดายกับอะไรต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เลยเพราะไม่ช้าก็แล้วเราก็ต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างไปอยู่ดีแต่จากไปโดยที่ไม่ได้ประโยชน์นี้สู้จากไปยังไ ด, ได้ได้ประโยชน์ดีกว่าการจะจากได้ประโยชน์ก็ต้องจากตั้งแต่ตอนที่เรายังไม่ตายกันเพราะถ้าเราจากตอนที่เราตายเราจะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการจากจากสิ่งต่างๆนี้เลย แต่ถ้าเราจากตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่คือเราจากไปเพื่อจะไปบวชเพื่อไปปฏิบัติแบบนักบวชไปสร้างศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาเพื่อที่จะมาทําลายความอยากต่างๆที่เป็นต้นเหตุของการเวียนว่าตายเกิดต้นเหตุของความทุกข์ต่างๆเราก็จะได้บรมมาสุขจากการที่เราต้องพัดภาคจากสิ่งต่างๆที่เรารักเราชอบไปยั ต้องเลือกทางเอาว่าจะจะจากแบบไหนดีจากแบบได้กำไรหรือจากแบบไม่ได้กำไรจากแบบได้กำไรก็คือต้องจากตอจากตั้งจากจา ก, จากตอนที่เรายังไม่ตายเพื่อที่เราจะได้ไปปฏิบัติศีลสมาธิปัญญากรมแต่ถ้าจากตอนที่เราตายเราก็จะไม่สามารถไปปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้เราต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างไปเหมือนกัน แต่จากแบบคนฉลาดหรือจากแบบคนโง่ดีถ้าจากแบบพระพุทธเจ้าจากแบบพระอรหันตสาวกนี้ท่านเรียกว่าจากจากกันแบบคนฉลาดพระพุทธเจ้าก็ต้องสละทุกสิ่งทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงรักทรงชอบพระอรหันตสาวกทุกรูปก็ต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านรักที่ท่านชอบเหมือนกัน แต่ท่านจากไปในขณะที่ท่านมีโอกาสมีเวลาที่จะไปสร้างศีลสมาธิปัญญาเพื่อที่จะทำลายความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปเพื่อที่จะได้ความสุขที่ยิ่งใหญ่ความสุขที่ถาวรแต่ถ้าท่านไม่ได้สละท่านไม่ได้ไปบวชไม่ได้ไปปฏิบัติท่านสละด้วยตอนที่เวลาที่ท่านตายไปท่านก็จะไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นพระอาหารหันตสาวก ท่าก็จะไม่ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพวกเราก็เหมือนกันถ้าเราจากตอนที่เราตายเราก็จะไม่ได้อะไรจากการจากสิ่งต่างๆนี้ไปเลยแต่ถ้าเราจากตอนที่เรายังไม่ตายจากเพื่อจากไปอยากเพื่อจะไปบวชเพื่อที่จะไปเจริญสีนสมาธิปัญญาเพื่อที่จะไปทําลายความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปเราก็จะจากอย่างกําไร พสิ่งที่เราจะได้รับก็คือนิบานังปรมังสุขังนี่เองได้จิตเป็นพระนิพพานได้จิตที่มีแต่ความสุขมีแต่บรมสุขแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเราจะทำอย่างนี้ได้ก็ต่อเมื่อเราหมั่นบังคับตัวเราเองให้ศึกษาแล้วก็นำเอาสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังนี้ไปปฏิบัติถ้าไม่บังคับตัวเราเองมันจะไม่ไป เพราะทางนี้เป็นทางที่ต้องบังคับมันไม่เหมือนกับทางของตันหาความอยากทางของตันหาความอยากไม่ไมต้องบังคับเพียงแต่มาแย่เ yeah, ท่านั้นเองก็ไปแล้วพอชวนไปเที่ยวก็ไปแล้วแต่ถ้าชวนไปอยู่วัดไปปฏิบัติธรรมนี้ถ้าชวนแล้วนับรองได้ว่าไม่มีไปไม่มีวันไปต้องบังคับต้องไปให้ได้ต้องสอน บ, บอกว่าไปแล้วดีได้ประโยชน์กว่าการไปเที่ยว แล้วเราก็จะไปได้เมื่อเราเราไปแล้วบ่อยๆเข้ามันก็จะง่ายขึ้นไปเองเพราะเราเริ่มเห็นประโยชน์จากการที่ไปปฏิบัติกันแล้วก็จะทำให้เร า, เ า, เาไม่ต้องบังคับเพราะเมื่อเห็นประโยชน์แล้วมันก็อยากจะไปเองอย่งนั้นตอนตอนต้นนี้ต้องบังคับถ้าไม่บังคับแล้วมันไม่ไปแต่ถ้าบังคับได้แล้วต่อไปพอมันได้เห็นผลแนละ้วมันก็ไม่ต้องบังคับ มันจะอยากไปเองมันมันจะขอไปแล้วทีนี้แทนที่จะบังคับมันมันจะขอไปแล้วนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำกันในเบื้องต้นต้องมีความขยันมากมีความอดทนมากต้องบังคับใจเราให้มากๆแล้วต่อไปมันก็จะง่ายขึ้นไปตามลำดับต่อไปมันจะไม่ต้องบังคับเลยมันจะไหลไปเลยเช่นพระโสดาบันนี้มันจะไหลไปแล้วไหลไปสู่พระนิพพาน ถ้าลองเข้าสู่กระแสของพระนิพพานนะมันก็ไม่ต้องบังคับแล้วทีนี้มันจะเจริญสติสมาธิปัญญาตลอดเวลาแล้วมันก็จะพาไปสู่ทำขั้นต่างๆจนถึงทำขั้นสูงสุดนะยินขอฝากเรื่องของการมาศึกษาเรื่องราวของพระพุทธศาสนาเรื่องราวของตัวเราเองเพื่อที่เราจะได้นําเอาไปพพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญ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 กหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วก็จะขออนุญาตงดตอบคำถามถ้ายังไม่มีคำถามก็จะให้ทางพิธีกรนำเอาคำถามที่ฝากมาจากทางบ้านมาถามก่อนคำถามจากเฟ e บุ๊กค่ะคำถามแรกจากคุณสายทิพย์สุทธิรักษานั่งสมาธิแล้วมีแสงสว่างเหมือนตอนกลางวันแต่เกิดบริเวณตัก ควรทำอย่างไรต่อไปคะและเป็นสมาธิในระดับไหนคะอะ่ก็ไม่ต้องไปสนใจถ้าจิตยังไม่สงบมีแสงสว่างหรือมีอาการรายต่างๆปรากฏขึ้นมาก็ไม่ต้องไปให้ความสำคัญให้รู้แล้วก็กลับมาอยู่กับคำบริกรรมต่อไปบริกรรมไปจนกว่าจิตจะตกลุมตกบอ่อถึงจะเข้าสู่อัปปนาสมาธิได้ คำถามจากคุณสมศักดิ์ทองศาสตร์ในฐานะที่เราเป็นคารวาสในการปฏิบัติธรรมนั้นเราควรตั้งจิตอธิษฐานหรือปรารถนาความสำเร็จในขั้นใดถึงพระนิพพานในชาตินี้หรืออย่างไรดีครับพระอาจารย์เราก็ต้องดูความสามารถของเราเช่นถ้าเราเรียนอยู่ระดับชั้นปฐมเราจะไปขอให้จบปริญญานี้มันก็คงจะยาก ถ้าเราอยู่ระดับประถมก็ขอให้เราขึ้นระดับมัธยมให้ได้ก่อนเราก็ขยับไปเป็นขั้นๆจะดีกว่าเพราะว่าไปตั้งจิตเกินกว่าความสามารถของเราตั้งไปมันก็ทำไม่ได้เช่นถ้าเรารักษาศีลห้าอยู่แล้วก็ขอเพิ่มเป็นศีลแปดดูตอนต้นก็อาจจะเอาแค่อธิตรวรรณก่อนวันพระจะถือศี 8, แลแปดรัวรรธรรมดาถือศีลห้าไป แล้วพอเราทำได้เราก็เพิ่มจากหนึ่งวันเป็นสามวันเช่นวันก่อนวันพระวันพระและวันหลังวันพระสามวันถ้าทำได้ก็เพิ่มไปเป็นสี่วันห้าวันเพิ่มไปเรื่อยๆตามกำลังของเราอย่างนี้จะดีกว่าดีกว่าไปตั้งเป้าหมายอยู่ที่พระนิพพานซึ่งความจริงก็เป็นเป้าหมายสุดท้ายแต่เราต้องคำนึงถึงเป้าหมายที่อยู่ใกล้ตัวเราก่อน ไม่ใช่ไปมองแต่เป้าหมายที่ปั้นเป้าหมายสุดท้ายแล้วก็ทำให้เราเห็นแล้วก็ทอ้อโอดไปไม่ไหวถ้าเราไปตั้งเป้าหมายที่ระดับปริญญาเอกนี่เราก็บอกว่าไม่ไหวหรอกอยู่แค่ป .4 ขอให้ขึ้นป .5 ได้ก่อนเอาทีละขั้นนะป .5 แล้วก็ป .6 ไล่ไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวมันก็ไปถึงปริญญาเอกได้คำถามจากคุณทิพวรรณสีจนันทร์ สอบถามคําที่บอกว่าแยกธาตุแยกขันธ์ความหมายคือต้องทําอย่างไรคะและผลที่จะปรากฏทางจิตจะต้องเป็นอย่างไรคะคือคําว่าธาตุขันธ์ก็คือร่างกายร่างกายนี้ทำมาจากธาตุทั้งสี่คือดินน้ําลมไฟคําว่าขันธ์ก็ว่าเป็นกลุ่มกลุ่มของธาตุก็มีสี่ธาตุดินน้ําลมไฟนี่คือร่างกาย เราต้องแยกแยะร่างกายว่ามันทํามาจากดินน้ําลมไฟโดยการดูเวลาที่การก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาของร่างกายมันก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาได้อย่างไรมันก็ก่อได้ด้วยธาตุสี่นี่ข้าวที่เรากินเข้าไปก็เป็นธาตุดินน้นําที่เราเดื่มเข้าไปก็เป็นธาตุน้ําลมที่เราหายใจเข้าไปก็เป็นธาตุลมเนี่ความร้อนที่มีอยู่ในร่างกายของเราก็เป็นธาตุไฟะ มันก็คือการรวมตัวของธาตุสี่เลยทำให้เกิดอาการสาสเช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกขึ้นมาแล้วเวลาร่างกายหยุดหายใจธาตุลมก็หายไปธาตุไฟก็หายไปแยกไปธาตุน้ำก็แยกออกจากร่างกายแล้วเดี๋ยวในที่สุดก็เหลือแต่ธาตุดินส่วนที่เหลือก็จะเน่าเปื่อยหรือผุกลายเป็นดินไป นี่คือการแยกธาตุให้เราเห็นว่าร่างกายนี้มันเป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่มีตัวเราอยู่ในในร่างกายนี้เลยเราไปตู่มันเองเราเป็นใจผู้มาครอบครองร่างกายแต่เราไม่รู้ตัวเราเองมองไม่เห็นตัวเราเองเราก็เลยไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราเพราะเราใช้ร่างกายอยู่ตลอดเวลาเราก็เลยคิดว่าเราเป็นร่างกายเราต้องมาแยก มาสอนใจให้รู้ว่าร่างกายไม่มีตัวเราในร่างกายนี้มีเป็นเพียงธาตุสี่ท่านั้นคือดินน้ําหนลมไฟถ้ายากอยู่เรื่อยๆบ่อยๆต่อไปเราก็จะปล่อยวางร่างกายได้เราก็จะไม่ถือว่าเป็นตัวเราของเราแล้วพอร่างกายเป็นอะไรเราก็จะไม่ทุกข์กับมันคําถามจากคุณอนัตตาพิลาศนการวางใจไม่ให้ติดดีจะต้องทําอย่างไรคะ ตอนต้นขอให้ติดดีก่อนเถอะอย่าไปติดชั่วขั้นต้นนี้อย่าไปติดชั่วก่อนเรื่องติดดีไม่ต้องกลัวติดดีไม่เป็นพิษเป็นภัยไอติดช uh <Mm ั่วเนี่ยเป็นพิษเป็นภัยยันไม่ต้องกังวลเรื่องติดดีขอให้มีขอให้เรื่องติดชั่วให้ได้ก่อนแล้วก็ขอให้มีความดีก่อนความดียังไม่ทันมีเลยกลัวจะไปติดดีแลอต้องสร้างความดีขึ้นมาก่อน ทำไมเราต้องสร้างความดีเพราะเราอาศัยความดีพาเราไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ถ้าเราไม่มีความดีเราก็จะไม่มีทางพาเราไปไม่มีบันไดพาเราขึ้นสู่พระนิพพานพอเราขึพอเราก้าวขึ้นถึงบันไดขั้นสูงสุดแล้วทีนี้เราก็ต้องเราก็ต้องทิ้งบันไดแล้วเราก็ต้องเดินเข้าห้องห้องก็คือพระนิพพานไปดังนั้นก่อนที่เราจะไปถึงพระนิพพานเราต้องยึดติด ก, กับความดีก่อน เราต้องอาศัยความดีที่เป็นเหมือนบันไดาพาเราไปสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดะงั้นอย่าไปกังวลกับเรื่องการเรื่องการไม่ติดความดีเลยมันง่ายเลิกเลิกติดความดีมันง่ายกว่าเลิกติดความชั่วเเลิกกินเหล้ากับเลิกทําบุญอจะไหนง่ายกว่ากันพอให้เลิกทําบุญนี่ดีใจเลยไม่ต้องไปทําบุญให้ไปเที่ยวให้ไปกินเหล้ากันนี่โอ้ยดีใจกันใหญ่ อันนั้นะไม่ต้องกังวลื่องติดความดีเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีความดีจะให้ติดต้องสร้างความดีกันก่อนความดีก็คือการทำบุญทำทานการรักษาศีลการภาวนานี่เรียกว่าความดีทำไปเกิดแล้วพอเราไปถึงขั้นสุดท้ายแล้วขั้นสูงสุดแล้วเราค่อยเลิกทำความดีกันเพราะตอนนั้นเราไม่ต้องใช้ความดีแล้วเพราะความดีพาเราไปถึงเป้าหมายแล้วเหมือนกับยาที่เรากินรักษาโรคเนี่ ให้ติดยาก่อนเถออย่าไปไม่กลัวจะติดยาไม่กินยาไม่กินยาโรค ก, ก็มันไม่หายสิกินให้มันหายก่อนพอหายแล้วก็อย่าไปกินอย่าไปติดยาตอนที่มันหายแล้วกินยาตอนที่ยังมีโรคอยู่พอโรคหายแล้วอย่าไปติดยาอย่าไปกินยาไม่เกิดประโยชน์อาจจะเกิดโทษได้คำถามจากคุณกระทอกน้อยมันแอบซอนอยู่ข้างเครื่องวิญญาณในขันห้ากับ ปฏิสนธิวิญญาณต่างกันอย่างไรครับคือวิญญาณในขันห้ามันก็มันขณะที่มีร่างกายมันก็เรียกว่าวิญญาณในขันห้าวิญญาณที่จิตส่งมาเกาะที่ตาหูจะบวกลิ้นกายวิญญาณที่มาเกาะที่ตาก็มีชื่อว่าจักขุวิญญาณวิญญาณที่มาเกาะที่หูก็เรียกว่าจักขุวิญญาณัสสัตโสตะวิญญาณ เป็น ญ, ญาณเป็นผู้ที่มารับรูปเสียงกลิ่นรสจากร่างกายไปสู่ใจส่วนปฏิสนธิวิญญาณก็คือวิญญาณที่ส่งไปเกาะติดกับร่างกายที่เพิ่งกำลังก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาใหม่ก็เหมือนกันเพียงแต่เราเรียกว่าเราเรียกว่าเราเรียกว่าปฏิสนธิเพราะว่าตอนนั้นร่างกายยังไม่มีตาหูจมูกมิ้นกายร่างกายยังเป็นตัวอ่อนอยู่เพิ่งเริ่มก่อร่างสร้างตัวขึ้นมา จิตก็ส่งวิญญาณไปเกาะแล้วแล้วพอร่างกายเริ่มมีตาก็จะมีมีโสตวิญญาณเข้าไปกเกาะก็วิญญาณตัวเดียวกันนี่แหละวิญญาณที่จะไปเชื่อมระหว่างร่างกายกับจิตใจยังจะว่าเป็นตัวเดียวกันเรือไม่ตัวเดียวกันก็ได้แต่ความจริงมันก็เป็นตัวเดียวกันเป็นกระแสจิตจิตกับร่างกายนี้ไม่ได้อยู่ที่เดียวกันจิตอยู่ในโลกกธาตุโลกที่เรากําลังอยู่นี้เรียกว่าโลกกธาตุ โลกที่ร่างกายอยู่นี้ส่วนจิตนี้อยู่ในโลกที่แล้วมาเชื่อมต่อกันโดยการส่งกระแสจิตมาเกาะที่ร่างกายกระแสจิตที่มาเกาะที่ร่างกายนี้เรียกว่าวิญญาณตอนต้นก็เรียกว่าปฏิสนธิเพราะตอนนั้นร่างกายยังไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นปฏิสนธิมาเกาะไว้ก่อนพอร่างกายเริ่มมีตาหูจมูกลิ้นกายก็ส่งวิญญาณทั้งห้ามาเกาะอีกทีหนึง่ง คำถามจากคุณโจปรกรณ์ค่ะฝึกกัะสินสิบผลที่ฝึกจะเกิดฤทธิ์ตามคำสอนจริงหรือไม่ครับก็ลองทําดูซิเราก็ไม่เคยทํแล้วก็ไม่กล้าบอกคำถามจากคุณทเนศมากกกอบสีผมอยากบวชให้แม่ที่เสียต้องทํอยังไงบ้างครับอยากบวชช่วงเมษาจะมีเลิกศึกไหมครับ อยากบวชจากสิบวันแล้วค่าใช้ใจ่ายจะเท่าไหร่ครับอ๋ออย่าไปบวชได้เสียเวลาเลยเสียเงินเสียทองเปล่ า, าการบวชที่แท้จริงนี้ก็บวชแล้วไม่ศึกถ้าบวชแล้วศึกก็อย่าไปบวชเสียเวลาเหมือนเดินเดินไปข้างหน้าสมเก้าแล้วก็เดินกลับถอยหลังมาสมเก้ามันก็ไม่ได้ไปไหนเสียเวลาเสียเงินเสียทองเปล่าซูเป็นคาราวะาไปอยู่วัดสิบวันยังจะดีกว่าไปถือศีลแปดศีลอะไรไป อย่างนี้ยังจะได้กําไรกว่าหมดแล้วแล้ะคำถามจากคุณเอ b มเจบนะครับผมอยากจะถามว่าผมปฏิบัติด้วยการพิจารณาเวทนาตามร่างกายขึ้นลงจากหัวไปเท้ากลับไปกลับมาบางส่วนโดยเฉพาะขาจะเป็นทุกขเวทนาสมากก็จะพิจารณาให้สักแต่ว่าเห็นว่าเป็นแค่เวทนา ไม่ใช่ตัวเราของเราไม่ยินดียินร้ายบางส่วนโดยเฉพาะหน้าตัวและแขนจะเป็นสุขเวทนาสะมากก็จะพิจารณาให้สักแต่ว่าเห็นแค่เวทนาไม่ใช่ตัวเราของเราทำติดต่อกัน1ถึงสามชั่วโมงแล้วแต่เวลาเอื้ออำนวยจิตสงบและรวมเป็นสมาธิบ้างบางทีจิตเป็นสมาธิมาก สามารถเห็นเวทนาได้ชัดและละเอียดการปฏิบัติเช่นนี้ถือว่าถูกไหมครับถ้าเราไม่ทุกข์กับเวทนาก็ถูกไม่ทุกข์กับสุขเวทนาไม่ทุกข์กับทุกขเวทนาคือถ้าสุขหายไปก็ไม่ทุกข์ถ้าทุกขโผล่ขึ้นมาก็ไม่ทุกข์ก็ใช้ได้ไม่ใช่เวลาสุขเวทนาหายไปก็ทุกเวลาทุกเวทนาโผล่ขึ้นมาก็ทุกเช่นเวลาปวดท้องขึ้นมาก็ทุกนี้ อย่างนี้ก็แสดงว่ายังปล่อยไม่ได้ถ้าเกิดเวลาเจ็บขึ้นมาตามร่างกายเช่นปวดท้องปวดศรีรษะก็ยังยิ้มได้ยังเฉยได้ไม่ทุกข์กับมันก็เรียกว่าใช้ได้แล้วเวลาความสุขที่มีทางร่างกายหายไปก็ไม่ไม่บน่นไม่ว่าอะไรอยู่เฉยๆได้ไม่เดือดร้อนคำถามจากพูดทวนกระแสะโลกนะครับ เราจําเป็นหรือไม่เจ้าคะที่จะต้องเดินทางไปกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นูน่นที่นี่เพื่อขอบารมีท่านหรือเราแค่ปฏิบัติตัวด้วยตัวเองก็เพียงพอแล้วเจ้าคะก็อยู่ที่เราต้องการอะไรบางคนก็ต้องการไปกราบก็ไปกราบถ้าคนไม่ต้องปการไปกราบก็ไม่ต้องไปกราบคําถามข้อต่อไปนะครับจากคุณอมีนะครับ ถ้าเราขายสัตว์เช่นสุนัขแมวที่ลูกค้าไม่ได้ซื้อไปฆ่าแต่ซื้อไปเลี้ยงดูแบบนี้เป็นสัมมาอาชีพใช่ไหมครับก็ไม่เชิงเนี่ยก็ยังไปค้าของที่มีชีวิตอยู่เป็นเหมือนค้าทาสทางที่ดีก็ปล่อยเขาให้อยู่ตามอิสระภาพของเขาจะดีกว่าถ้าเกิดเราเป็นสุนัขแล้วเขาจับเราไปค้าขายบ้างเราจะรู้สึกยังไงเราก็ไม่อยากจะเป็นทาสของใคร ก็ไปปล่อยเขาให้อยู่ในตามอิสระภาพของเขาดีกว่าคําถามจากคุณพิมพรนะครับเมื่อคืนนี้หนูนั่งสมาธินั่งสักพักหนึ่งบริกรรมพุทโธแปบ๊บเดียวจิตหนูก็เป็นสมาธิลมหายใจอ่อนลงแล้วหนูก็หยุดบริกรรมพุทโธแล้วนั่งไปเรื่อยๆนิ่งดีมากค่ะเมื่อก่อนนี้หนูออกจากสมาธิ หนูไม่ค่อยจะบริกรรมพุทโธแต่พอทําก็พุทโธ ท, ทั้งวันแล้วทําให้เรานั่งสมาธิดีมากค่ะจิตสงบเร็วมากถามว่าหนูทําแบบนี้ถูกไหมคะแล้วหนูควรจะปฏิบัติอย่างไรต่อเจ้าคะก็ควรจะทาบ่อยๆทาให้มากๆนั่งให้บ่อยๆนั่งให้นานๆไปก่อนให้ชนานาญ สามารถนั่งได้ตลอดเวลาที่เราต้องการจะนั่งและสงบได้อย่างรวดเร็วถ้าเราชำนาญแล้วต่อไปเวลาเราออกจากสมาธิมาเราก็มาสอนใจให้ใช้ปัญญาให้สอนใจให้มองทุกอย่างว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเพื่อเวลาที่เกิดความอยากเราจะได้ไม่ไปทําตามความอยากเพราะเราจะรู้ว่าการทําตามความอยากนี้จะพาเราไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่พาเราไปสู่ความสุข เพราะสิ่งที่เราอยากได้มันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเราสักวันนึงมันก็ต้องมีวันจากเราไปนั่นเองคำถามจากคุณศินินาศนะครับโยมเข้ารับการประเมินผลงานแต่ไม่ผ่านไม่มีชื่อรู้สึกว่าเสียหน้ามากๆคิดมากความรู้สึกนี้ทำให้โยมรู้สึกว่าผลการปฏิบัติธรรมไม่ก้าวหน้าโยมควรจะคิดอย่างไรคะ ก็ต้องมองว่าทุกอย่างเป็นในอย่างไม่เที่ยงแท้แน่นอนพอไปอยากแล้วพอไม่ได้มันก็ทุกข์ถ้าไม่มีความอยากได้มันก็จะไม่ทุกข์เห็นทาอะไรทาไปแต่อย่าทำด้วยความอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นทำไปตามหน้าที่เราทำงานแล้วเราถึงเวลาที่จะต้องไปทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อจะได้ประเมินความสามารถของเราก็ไปทำไป ผลออกมายัางไงก็อย่าไปทุกข์กับมันทุกข์เพราะอยากให้มันผ่านพอไม่ผ่านมันก็เลยทุกข์แต่ถ้าไม่อยากให้มันผ่านมันก็ไม่ทุกข์อยากจะอยู่ที่เดิมไม่ต้องเจริญไม่ต้องขึ้นชั้นไม่ต้องมีเงินเดือนเพิ่มพอใจกับาฐานะที่เรามีอยู่เป็นอยู่มันก็จะไม่ทุกข์คำถามจะคุณสิ่งดีๆนะครับเรานึกถึงบทสวดมนต์ แต่บางทีเราไม่ได้ตั้งนะโมพอนึกได้เราก็สวดบทนั้นเลยจะเป็นไรไหมคะอ๋อไม่เป็นไรแล้วสวดบทไหนก็ได้จะตั้งไม่ตั้งก็ได้การสวดเพื่อให้เรายับยั้งความคิดปรุงแต่งต่างๆเพื่อจิตเราจะได้ว่างจะได้เย็นจะได้สบายและเวลานั่งสมาธิจิตก็จะสงบง่ายคำถามจาคุณ น, นิพนนะครับเรื่องพระาธาตุเราจะรู้ได้อย่างไรว่าพระาธาตุองค์ไหนเป็นของจริง และมีข้อพิสูจน์อย่างไรได้บ้างครับขอความเมตตาจากพระอาจารย์แนะนาเราก็ต้องไปเอาทานทานต้นต่อเลยคนที่ได้มาคนแรกเพราะว่าได้มาจากใครเป็นธาตุสองไข่ถ้าถ้าไล่หาต้นต่อไม่เจอก็อย่าเพิ่งไปเชื่อก็แล้วกันเพราะอาจจะเป็นก้อนหินใครเก็บมาแล้วก็มาบอกว่าเป็นพระธาตุของพระรูปนั้นพระรูปนี้ก็ได้เพราะเราไม่มีวิธีที่จะไปพิสูจน์ได้งั้น ไม่เรื่องพระธาตุนี้ไม่จำเป็นไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติของเราเรื่องพระธาตุนี้เป็นเพียงสักขีพยานยืนยันว่ามีพระอรหันต์จริง เ, เพราะว่ากระดูกของพอระอรหันต์นี้เปลี่ยนเป็นพระธาตุได้กระดูกของพระพุทธเจ้านี้เปลี่ยนเป็นพระธาตุได้เท่านั้นเองเพียงแต่ยืนยันให้เราเรื่องว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้มีจริงไม่ต้องลังเลสงสัยให้ปฏิบัติเชื่อ ตามปฏิบัติตามแล้วเราก็จะได้เป็นกระดูกของเราก็จะได้เป็นพระธาตุต่อไปอแต่ไม่ต้องไปสงสัยว่ามาจากที่ไหนอย่างไรเพราะบางทีมันสองพันห้าร้อยกว่าปีมาแล้วคนบอกนี่คือพระบรมธาตุอยางเนี้ยเราจะไปรู้มันมันเป็นพระบรมธาตุใครเป็นคนให้ใครมากันมันต้องสองพันห้าร้อยกว่าปีแล้วองั้นเราก็อยา่าพระพุทธเจ้าก็สอนว่าให้ใช้หลักการละมอศูตรคืออย่าไปเชื่อแต่อย่าไปปฏิเสธ ถ้าเรายังไม่สามารถพิสูจน์ได้กับตัวเราเองก็ฟังหูไว้หูเพราะว่าเป็นพระท่าขององค์นั้นองค์นี้ก็เออสาธุไปจบเป็นอะไรเรอค <laughs> <laughs> คำถามจากคุณสุพนัทนะครับการสวมใส่เครื่องนุ่งห่มสีต่างการมีผลต่อการปฏิบัติอย่างไรครับเออไม่ต่างหรอกมันก็เหมือนกับเราเปลี่ยนเสื้อผ้า คำถามจากคุณโก้นะครับผมฝันเห็นพระแล้วพระให้ผมท่องคาถาเอหิจิตตังเอหินะจังพุทธสังมิผมจะเอามาท่องได้หรือเปล่าครับได้มันก็เป็นการเจริญสติเหมือนกับพุทโธนนะั่นแหะมันไม่มีอะไรแตกต่างกันนะครัำถามจากคุณพึงรู้แต่ลมพอนะครับสามเณนเมื่อกลับมาเยี่ยมบ้านแล้วนอนที่บ้านในห้องส่วนตัว จะสามารถถอดผ้าจีวร อ, ออกได้ไหมครับควาจริงไม่กดนอนที่บ้านหรอกเป็นนักบวชี่เขาไม่นิยมไปนอนที่บ้านกัน เ, ออเขาจะนอนที่วัดกันออถ้าจําเป็นจริงๆก็ให้แยกไม่ให้ไปนอนในห้องเช่นไปกางกดอยู่ที่สนามหญ้า อ, อ, อยู่ข้างนอกบ้านอย่าไปนอนในชายคาเดียวกับคาราวาสคําถามจะคุณเปิ้ล น, นะครับ ลูกนั่งสมาธิในแต่ละวันจะมีอาการไม่เหมือนกันลูกก็ได้แต่ตามดูตามความเป็นจริงบางวันนั่งเข้าสมาธิได้ง่ายนิ่งเงียบไม่มีสังขารปรุงแต่งบางวันนั่งไปมีความคิดเกิดลูกก็ตามดูความเกิดดับของสังขารและเวทนาเกิดดับอยู่ตลอดเวลา บอกว่ามันเกิดอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้เรียกปัญญาอบรมสมาธิใช่ไหมคะไม่ใช่เหรอเรียกว่าความฟุ้ง่านอบรมสมาธินั่งคนรไม่ควรที่จะไปคิดอะไรทั้งนั้นควรจะอยู่กับพุทโธพุทโธไปจะดีกว่าถ้ามันเป็นปัญญาอบรมสมาธินี้จิตต้องสงบต้องเนิ่งต้องรวมเป็นหนึ่งคําถามจะกคุณอ้อนะครับเราควรวางใจอย่างไรกับการเป็นทุกข์ เมื่อเห็นสัตว์ที่เป็นสัตว์จรอดอยากเจ็บป่วยบาดเจ็บทนทุกข์ทรมานก็ให้ทัางคำสอนที่พรเจ้าทรงสอนว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมนดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นสัตว์ตัว น, นี้เขาได้ทำชั่วมาเขาก็เลยต้องรับผลชั่วของเขาเราก็เหมือนกันถ้าเราทำชั่วต่อไปเราก็จะต้องรับผลแบบเขาเหมือนกัน คำถามจากคุณชุตตมน์นะครับการที่เราเลี้ยงสัตว์เช่นหมาแมวจะถือว่าบาปหรือบุญคะไม่รู้เหมือนกันครัรกบก็ถ้าเราเลี้ยงด้วยความเมตตาก็เป็นบุญถ้าเราเลี้ยงด้วยกิเลสก็เป็นบาปคือเลี้ยงแล้วรักแล้วหวงแล้วห่วงมันมันก็เป็นทุกข์ขึ้นมาแล้วเลี้ยงเอาบุญคือให้มัน มีที่อยู่อาศัยมีอาหารรับประทานให้มันอยู่อย่างสุขสบายแต่ไม่ไปยึดไปหวงไปห่วงมันก็อย่างนี้ก็ได้บุญค ำ, คำถามจะคุณ e อีซี่อุ๋ยนะครับสัมมาทิฏฐิสิบ ป, ประการข้อที่ว่าการเส้นสวงหรือการบูชามีผลจริงการเส้นสวงนี้หมายความว่าอย่างไร หมายถึงการบูชาเจ้าที่ถวายหัวหมูหรือเปล่าครับหรือเป็นเพียงแค่ทําความเคารพคิดว่าไม่ใช่สาัมมาทิฏฐิหรอกว่านี่ไม่ใช่สาัมมาทิฏฐิแน่นอนเป็นมิจฉาทิฏฐิมากกว่าเพราะการเส้นสวนอะไรทั้งหลายนี้ไม่มีผลใตอย่างใดเป็นเหมือนเล่นละครคำถามจากคุณปังปอนนะครับวิธีวางจิตก่อนตายทาอย่างไรคะ ให้ไม่ตกอบายภูมิ อ, อ๋อต้องรักษาศีลตั้งแต่วันนี้ไปนั่นแหะถึงจะไม่ตกอบายภูมิไม่ใช่ไปรอตอนสุดท้ายแล้วก็ไปตั้งจิตให้มันไม่ไปอบายภูมิมันตั้งไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้ามันอยู่ที่ปากประตูอบายภูมิแล้วมันก็จะต้องเข้าไปเท่านั้นเองที่มันเข้าไปเพราะว่าไม่รักษาศีลกันถ้ารักษาศีลกันตั้งแต่บันนี้ไปจนถึงวันตายก็เป็นการตั้งจิตเพื่อไม่ให้ไปอบาย แต่ต้องตั้งแต่วันนี้ไม่ใช่ไปรอตั้งวันสุดท้ายคำถามจะคุณจุ๋มนะครับพระธรรมมีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าทรงคนพบพระธรรมแล้วระหว่างปริยัติกับปฏิบัติอะไรเกิดก่อนเจ้าค ะ, ะพระพุทธเจ้าก็ต้องปริยัติก่อนไงก็ศึกษาด้วยตนเองเมื่อไม่มีครูสอนก็ต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองนี่ก็เรียกว่าปริยัติ พอค้นคว้าแล้วก็เอาไปพิสูจน์พอพิสูจน์ปั๊บก็เห็นผลว่า อ, อ๋อทุกเกิดจากความอยากนี่เองและการดับความทุกข์ก็ใช้สติปัญญาสมาธิดับมันค่ะคำถามจากคุณเปิมพงนะครับเราควรพิจารณาอาสุภะในร่างส่วนที่เรารู้สึกหวาดเสียวที่สุดใช่ไหมครับผมจะเสียวเมื่อเห็นภาพดวงตาตอนที่ผ่าตัด ไม่ให้ไม่ให้เสียให้ให้เห็นแล้วเบื่อไม่รักไม่ชอบไม่อยากได้ไม่อยากอยู่ใกล้ <1> <1> อย่าไปเห็นส่วนที่เห็นแล้วชอบอยากได้มาเป็นของเราอยากได้มาเป็นแฟนเราอยากได้มาเป็นคู่ครองของเราให้มองในส่วนที่เราเห็นแล้วจะไม่อยากได้เช่นเวลาเขาตายนี่อยากได้ไหตายวันนี้คืนนี้ยังจะเก็บไว้ในบ้านยังจะนอนกันได้ไหรือเปล่าให้มองร่างกายตอนที่มันตาย ถ้าเห็นร่างกายตอนที่ตายแล้วก็จะไม่อยากได้ร่างกายอันนั้นคําถามจากคุณจุธารัตนะครับกลาวเรียนพระอาจารย์เรื่องปฏิจจสมุบาทเพราะนั่งสมาธินานมองเห็นร่างกายหายใจเองได้ค่ะ ม, ม, คมันไม่เกี่ยวกับปฏิจจสมุบาตทำไมวรานั่งสมาธินานไม่นานนั่งสมาธิยังเห็นนู่นเห็นนี้ก็ยังไม่ใช่เป็นสมาธิ ถ้านั่งสมาธิแล้วต้องเจ็ด ต, ต้องตกลุมตกบอ่อแล้วนิ่งแล้วสงบไม่ไม่เห็นอะไรนั่นนะ่ะถึงจะเรียกว่าสมาธิถ้านั่งเรายังเห็นหนูน่นเห็นนี่อยู่แสดงว่านั่งไม่ถูกแล้วต้องนั่งต่อไปต้องพุทโธต่อไปเรื่อดูลมหายใจต่อไปไม่ไปคิดอะไรไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องปฏิจจสมุปบาทหรืออะไรทั้งสิน้นเวลาเวลานั่งสมาธิไม่ใช่เวลาที่จะคิดเรื่องต่างๆแม้จะเป็นเรื่องปัญญาก็ไม่ให้คิด ให้หยุดความคิดทั้งหมดก่อนเพื่อที่จะทำใจให้สงบให้มีความสุขก่อนเมื่อใจมีความสุขแล้วถึงค่อยมาคิดทางปัญญาเพื่อจะได้ปล่อยสิ่งที่เราหลงคิดว่าให้ความสุขกับเราเพราะเรามีความสุขใหม่ที่ดีกว่าเราก็จะทิ้งความสุขเก่าได้ความสุขที่เราได้จากคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราจะทิ้งได้ถ้าเรามีความสุขที่เกิดจากสมาธิ เช่นเราเคยมีความสุขกับการดื่มเหล้าเราก็จะเลิกดื่มเหล้าได้ถ้าเรามีความสุขจากการไปเที่ยวเราก็จะเลิกเที่ยวได้แต่ถ้าเรายังไม่มีความสุขจากสมาธินี่ยากเพราะว่ามันยังมันยังอยากจะมีความสุขอยู่ในเมื่อเราไม่มีความสุขในตัวเราเราก็เลยต้องอาศัยการดื่มโซราเพื่อให้ความสุขกับเราหรืออาศัยการไปเที่ยวให้ความสุขกับเรา มันก็จะเลิกยากถึงแม้จะมีปัญญาสอนว่ามันเป็นทุกข์ก็ยอมทุกข์แต่ตอนนี้มันไม่ทุกข์ตอนนี้มันยังสุขก็สุขไปก่อนรอเวลาที่มันดื่มไม่ได้แล้วเวลาไม่สบายไปหาหมอหมอบอกว่าห้ามดื่มสุราตอนนั้นค่อยไปทุกข์ตอนนั้นแต่เวลามันทุกข์แล้วตอนนั้นมันก็ไม่มีใครมาช่วยเราได้แล้วก็อยากจะฆ่าตัวตายนันเองคถามจากคุณสุพนัทนะครับ สีไม่บริสุทธิ์ส่งผลต่อสมาธิมากน้อยอย่างไรครับก็ทําให้เรามีเวลาที่จะปฏิบัติได้น้อยนั่นเองถ้าเราไปกินเหล้าอย่างนี้เราก็จะไม่นั่งสมาธิไม่ได้นั่งแล้วเมามันก็นั่งไม่ได้แนละ้วคาถามจะคุณบัญชานะครับเวลาภาวนาพุทโธลมหายใจเข้าออกกับคําภาวนาไม่ค่อยสัมพันธ์กัน แก้ไขอย่างไรครับเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเลยไม่ต้องมาเอาสองอย่างให้ยุ่งยากถ้าจะาพุดโธก็พุดโธไปเลยไม่ต้องใช้ลมหรือถ้าจะดูลมก็ไม่ต้องพุดโธไม่จำเป็นจะต้องใช้สองอย่างมามาม า, มาเกาะติดกันคําถามจากคุณณพลนะครับการที่ถูกผู้อื่นกดดันใส่สิ่งปรุงแต่งภาษะทั้งห้าทั้งทั้งที่เรายังวางไม่ได้ เช่นนี้จะทำให้ผู้โดนกระทาเป็นบ้าได้ถูกต้องไหมครับถ้าผู้กระทาอยากจะเป็นบ้าก็เป็นได้ถ้าผู้กระทามมีสติมีปัญญาก็จะไม่เป็นบ้าคำถามหมดครับอาจารย์มีใครอยากจะถามอีกไหมให้เวลาหน่อยเดี๋ยว ก, กาลังพิมพ์อยู่มั้งอีกสองสามนาทีก็เข้ามา